มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปฐมวั์สติลลกขณะปัญหาที่สิบสองถามว่า สติมีลักษณะอย่างไรขณะนั้นพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชค์การตรัสถามด้วยลักษณะแห่งสติต่อไปว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าสตินั้นเล่ามีลักษณะประการใดพระนาคเสนวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชดูกระบอพิษพระราชสมภาร สติมีลักษณะสองประการคืออปิลาปณะลักษณาสติหนึ่งอุปคันหณะลักษณะสติหนึ่ ง, นนะะ ส, งสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินมีพระราชองค์การซักถามว่าพันเตนาฆเสนฆะ่าแต่พระนาคเสนผู้มีปัญญาปรีชาอปิลาปณะลักษณะสตินั้นประการใดพระนาคเสนจริงมิสัจนาแก้ไขว่า ดูกระบอพิทพระราชสมภารอปิลาปณะลัคนาสตินั้นคืออารมณ์ให้ละลึกไปในธรรมทั้งหลายคือเตือนว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นชั่วสิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์สิ่งนี้เป็นโทษสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้ขาวสิ่งนี้ดำเตือนอารมณ์ให้ละลึกในธรรมทั้งหลายว่าทำสิ่งนี้ เป็นสติปัฐานสี่ทำสิ่งนี้เป็นสมมติปทานสี่ทำสิ่งนี้เป็นอิทธิบาสีทำสิ่งนี้เป็นอินรีห้าทำสิ่งนี้เป็นภละห้าทำสิ่งนี้เป็นโพชงเจ็ดทำสิ่งนี้เป็นอัดถังขิกามัก8ประการทำสิ่งนี้เป็นสมถกรรมฐานทำสิ่งนี้เป็นวิปัสสนากรรมฐาน ทำสิ่งนี้เป็นฌานเป็นสมาบัติเป็นวิชาเป็นวิมุตติเป็นกองจิตกองเจตสิกเมื่อโยคาวจรได้อปิลาปณะลัคนาสติเตือนอารมณ์ให้ระลึกถึงธรรมดังนี้ก็ไม่ได้ซ่องเสพซึ่งธรรมอันมิควรจะซ่องเสพกลับซ่องเสพซึ่งธรรมควรจะซ่องเสพดังนี้ชื่ออปิลาปณะลัคนาสติขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชาองค์การตรัสนิมน์พระนาคเษนให้กระทำอุปมาพระนาคเษนจึงมีเถระวาจะอุปมาถวายว่ามหาราชะดูราณบพิษพระราชาสมภารเปรียปานดุดพันดาคาริกบุรุษผู้หนึ่งเป็นชาวคลังของบรมมจักย่อมทูลบรมจักตักเตือนให้ระลึกถึงสมบัติทุกเช้าเย็นทูลว่า เครื่องประดับช้างเท่านั้นม้าเท่านั้นรถเท่านั้นผลเดินลำลองเท่านั้นทองเท่านั้นเงินเท่านั้นยะถามีครุวนาฉันใดอปิลาปณะลัคนาสตินิไซอุปัชมานาเมื่อบังเกิดก็เดือนอารมณ์ให้ละลึกถึงปฏิภาคธรรมทั้งหลายคือกุศลอกุศลบาปบุญคุณโทษ เปรียบดุดสีขาวกับดำและเตือนอารมณ์ให้ระลึกได้ว่าทำสิ่งนี้คือสติปัฐานเป็นอาธิชนี้ก็ย่อมซ่องเสพซึ่งทำอันควรจะเสพอปิลาปณะลักคนาสตินี้เตือนอารมณ์ให้ระลึกไปในเบื้องหน้าเบื้องหลังเหมือนชาวคลังระลึกทูลเตือนบรมมจอมจักรพรรดิให้ระลึกถึงสมบัตินั้นขอถวายพระพร ขณะนั้นพระเจ้ามิลินปินสาคละนะครก็เห็นสมควรตามอุปมาในการนั้นราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระระชาชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ปรีชาอันว่าอุปคันหณะลักษณาสตินั้นมีลักษณะเป็นประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่า มหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารอุปคันหณะลัคนาสตินั้นอุปัตชมานาเมื่อจะบังเกิดในสันดานนี้ชักชวนให้ถือเอาคติในธรรมอันดีพระโยคาวาจรเจ้าเมื่ออุปคันหณะลัคนาสติบังเกิดในสันดานย่อมพิจารณาว่าทำสิ่งนี้มีอุปการะทำสิ่งนี้ หาอุปการะมิได้ก็นําเสียซึ่งทำอันมิได้เป็นประโยชน์นําเสียซึ่งทำอันมิได้เป็นอุปการะถือเอาแต่ทำอันเป็นอุปการะดูรานะบอพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐอุปคันหนะละลัคนาสตินั้นมีลักขณะละเสียซึ่งสิ่งอันชั่วถือเอาแต่สิ่งอันดีนี่แหละขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีสุนทรพจนานอาราธนาว่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบอพิษพระราชสมภารเปรียปานดุดนายประตูของบรมมกสัตราทีราชถ้าเห็นผู้ใดประหลาดเข้าไปสู่ประตูพระรา ช, ชวังก็ห้ามเสียมิให้เข้าไป ผู้ใดที่เป็นอุปการะแก่บรมกษัตริย์เจ้าคือข้าเฝ้าผู้ใหญ่ผู้น้อยนั้นก็ปล่อยให้เข้าไปสู่พระราชฐานนายประตูเฝ้าพระทวากรกำจัดเสียซึ่งคนอันใช่ข้าเฝ้าถือเอาแต่ที่ข้าเฝ้าให้เข้าไปสู่พระราชฐานนั้นยะถามีครุวนาฉันใดอุปคันหนรักณาสตินั้นถือเอาแต่ทำอันเป็นคุณ เว้นเสียซึ่งทำอันไม่ได้เป็นคุณดุดนายประตูอันห้ามเสียซึ่งคนใช่ข้าเฝ้าถือเอาแต่ข้าเฝ้าที่คุ้นเคยให้เข้าไปสู่พระราชฐานนี่แหละพระโยคาวาจรเจ้ามีสติเป็นอุปกรณ์นหนรักนาสติเว้นเสียซึ่งสิ่งอันเป็นโทษถือเอาซึ่งทำอันเป็นประโยชน์เป็นคุณชื่อว่ามีสติเป็นอุปกรณ์นหนรักนาสติสมด้วยพระพุทธฎีกา สมเด็จพระบรมนายกลกกานาตศาส ด, สดาจารย์ประธานพระสัทธรรมเทศนาว่าสติจะโขอาหางพิกเวสัพพติกังวัามิพระพุทธดีกาตรัสว่าพิกเวดูรานะภิกษุทั้งหลายพระกรถาคตนี้สันเสริญว่าสติให้สำเร็จประโยชน์นำเสียซึ่งโทษนี่แหละพระพุทธดีกาโปรดไวเชนี้ ขอถวายพระพรส่วนสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชากรได้ทรงฟังพระนาคเสนพยากรณแก้ปัญหาจึงตรัสว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวนี้สมควรแล้วสติลักขณะปัญหาเป็นคำรบสิบสองจบเท่านี้